หัวข้อมหาสติปทานสูตรตอนทุกขอริยสัจความจริงเกี่ยวกับทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจเป็นไนแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกขแม้มรณะก็เป็นทุกขแม้โศกาะปริเทวะทุกขโทมนันตุปายาตก็เป็นทุกขแม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุก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 ผู้ถูกธรรมะคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกข์เป็นไนความลำบากทางกายความไม่สาราญทางกายความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข์ก็โทมนัสเป็นไนความทุกทางจิตความไม่สาราญทางจิต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 ขอเราไม่พึงมีโสกะปริเทวะทุกขโทมณัตอุปายาตเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกขโทมณัตอุปายาตอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็โดยย่อ อ, อุปาทานขันห้าเป็นทุกเป็นชนะอุปาทานขันห้า